ไม่ได้งอเหงาหานอนอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้เวลานอนกันแล้วตากตามกันมาทั้งวันเราก็พยายามที่จะฝึกตนกันหา ม, มุมที่จะทำดีทางกายวาจาใจหรือว่าฝึกจเจริญสติกั น, <S S S นเพื่อมีความว่องไวเป็นการถอดรหัส การธรรมมันทำยังไงเรียกว่าถอดรหัสนะเพรบางทีเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าก่อนมันทำยังไงก็เตือนช่วงนี้มันช่วงปิดเทอมเห็นว่าเข้าวัดไปวัรทำการบวชบ้างหรือว่าครอบครัวพากันมาปิดเทอมมันก็ดีกว่าไปเที่ยวห้างหรือว่าไปเที่ยวตาม สถานที่ที่คนแอร์อัด <Yeah. S 1> เลยเปรีกอาศัยเชื่อว่าวัดป่าสุกโต <Yeah. S 1> จากการได้ยินได้ฟังตามอินเทอร์เน็ตหรือ ว, ว่าสื่อหนังสือธรรมะอื่นๆ <Yeah. S 1> เราเลยตามรอยกันมาจนมานั่งอยู่ที่นี่แล้ววัดป่าสุกโต <Yeah. S 1> หลายคนก็ฝึกหัดกันเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลย กเกษียณกันมาเออร์ลี่กันมาหรือว่าสูงอายุแล้วก็เห็นว่าเออตรงนี้สถานที่นี้มันน่าสนใจมีเสานาสนะปัจจัยสที่อยู่อาศัยก็พออยู่กันได้สะดวกก็ทำให้มันอยู่สะดวกนั่นแหละเนะพราะปกตินี่ตราที่ถ้าที่เคยสังเกตมาหรือว่าที่นี่ก็ตามกุฏิเก่า เหมือนคุกเลยลองไปดูกุฏิลงพ้อเก่าเนี่ยเป็นยังไงทิศราไก่แล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงใช้มือหรือกุดสมัยก่อนโยมวิจิตราไม่มีหน้าต่างแต่มีกระชองเล็กๆแล้วก็เชิญลาขึ้นเดือเนี่ยกุดห้องแถวเนี่ยตรงนี้นึกภาพถึงว่าคนมาเก็บอารมณ์สำรวมไม่ดูไม่เห็น หรือว่าเห็นก็เห็นน้อยๆ อ, อะไรเงี้ยนะหน้าต่างน้อยๆ อ, อยู่แบบเอาเหอะเป็นที่ซุกหัวนอนกันเงี้แต่ตอนหลังเราก็เรียกว่าทําให้เกิดความสนดวกขึ้นเจาะหน้าต่างฐานะทางวัดดีขึ้นนะพูดง่ายๆโยมก็วัดมากขึ้นแล้วก็ทําบุญมากขึ้นก็ได้เอาเงินนั้นมาทำหรือว่าหลายคนก็เป็นข้าบาดีอย่างกวดข้างหน้านะ กดข้างหน้านี่ก็กาบ ด, ดีมาสร้างกันกลายเป็นป<ม>ระสบการณ์กันมาก็ทําให้อยู่สะดวกเราเลยใช้สถานที่ที่อยู่สบายสะดวกแล้วก็ห้องน้ําห้องท่าศาลาก็มีให้นั่งปฏิบัติกันพอสมควรที่เดินที่นั่งยกมือ14บสี่ชิ้วาปฏิบัติตามกันหรือว่าห้องครัวโรงทานเข้าไปดูแล้วโอ้โหมาเลี้ยงคนได้เป็นกองทัพเลย เพราะว่าเคยไปสอนที่ปฏิบัติที่เขาเป็นศูนย์ปฏิบัติเลยก็จะมีแม่ครัวสาคนแล้วก็หม้อชามลามไห้นี่มีอยู่ไม่กี่ใบหรอกแล้วก็มีถ้วยจานเลี้ยงคนได้ทิง2อ0 0า้ยคนก็ถือว่าป่าสุกโตนี่ไม่ต้องคิดว่าเราน้อยหน้าใครเรื่องที่อยู่ที่พักทีอาศัยอย่างี้เสนาสนะปัจจัย4พระบวชเนโออดิเลกราบและจีวอนเต็มตู้ มีของถวายกันไมคขาดปีๆหนึ่งต่อรูปนี่เฉลียยแล้วหลายไตรทีเดียวนะเปลี่ยนกันได้มันแพงนะชุดพระเนี่ยถือว่า d ดฟ่าเอสแควร์ ero, นะแอโร่เดฟแควร์ดปเตอร์ชุดหนึ่งเป็นพันเลยสา0 0 0บาทนะมันก็เป็นเรียกว่าลาบอดิเลตลาบมากมายเหลือเกินที่เป็นสิ่งเกื้อกูลหรือว่าสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยได้มาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงสุดคืออะไร <c oughs> เป็นประโยชน์ในปัจจุบันกันนะหรือว่าประโยชน์ในสมัยลายจะพบในพบแนาต่อไป <c oughs> เพราะว่าวันนี้ถ้าเราดีเราก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็ต้องดีนะเมื่อวันนี้มันดีมันผ่านไปเมื่อวานเมื่อวานก็ต้องดีอดีตก็ดี <c oughs> เราก็เลยมาทำปัจจุบันกันให้มันดีถ้าดีจะทำกันได้ เหมือนวันนี้เราทำอะไรกันอย่างงี้นะทอะไรกันส่วนตัวก็เหตุปัจจัยมันมีมันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องทำนะที่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างเช่นข้างหน้านี้ก็คิดว่าจะต้องทำวันนี้แหละเพราะว่าเหตุปัจจัยจากคนงานที่เขาว่างพอดีแล้วก็มาหางานทำกันก็ไม่เป็นไร มาหางานทําก็ให้งานทําำก็เห็นออกเห็น <c oughs> ใจกันอย่างนั้นนะก็ไม่ยากอะไรมาก็เตรียมเลยนะปรับปรับปรับปรับที่กันนะแล้วตรงนี้ก็พยายามปรับทีนะ่เพื่อที่จะต่อเป็นที่จอดรถตรงนี้ข้างๆนะต่ออีกนิดนึงก็เป็นการทําดีนั่น แ, ลนะแลหละระดับของการสร้างศาสนวัตถุศาสนาฐานเนองจากเรา ได้ใช้ของคนที่สร้างก่อนจะทั้เกิดประโยชน์เราควรสร้างประโยชน์ต่อยอดให้มันขยายขว้างขวางกับคนหมู่มากต่อไปแต่ว่าขณะที่ทําไปเราก็รู้สึกตัวไปเห็นจิตเห็นใจของเราไปเห็นกายของเราไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาโดยเจตนาหรือไม่เจตนาเราพยายามที่จะระลึกเอามาใช้ไม่ได้เจตนานะแต่มันแว บ, บขึ้นมาแล้วก็ระลึกมาเอ๊ะ เราไอคิดแบบนี้มันเป็นคิดแบบไหนมันคิดเป็นแบบปัญญามันเป็นลักษณะของประสบการณ์เริ่มคิดแบบฟุง้งซ่านแล้วก็สังเกตมันมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอห้ามมันมันเกิดเองตามธรรมชาติของจิตอาการของจิตเราก็รู้แล้วไอ้เนี่ยคือที่อยู่ของเขาก็แสดงอาการให้เราได้เห็นมันเป็นอาการที่อยู่กันได้ธรรมดาธรรมดา มืนร่างกายของเราเหมือนกันทุกคนก็มีเชื้อโรคมีโรคอยู่ในตัวเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยเซลล์มงทุกคนมีหมดเลยหรือว่าเชื้อวัณโรคทางการแพทย์ถือว่าทุกคนที่นั่งอยู่เนี้ยมีเชื้อวัณโรคหมดเลยทีบีแต่เพียงแค่ว่าภูมิต้านทานของเรามันแข็งแรงดีมันคุ้มครองมันป้องกันกันอยู่และเชื้อที่มีอยู่มันก็ป้องกันเชื้อใหม่ไม่ให้เข้าไปมันก็ระมัดระวัง กลายเป็นวัคซีนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมในร่างกายเรามีอุจจาระนะมีอะไรมากมายเหลือเกินอย่างเมื่อเช้านี่นอาตมาก็ล้างพิษอ่ะนะลางพิษมาเกินดื่มน้ํามันมาก่อนตอนสี่ทุ่มครึก็เหมือนกับหลายคนในนี้มันเจ็ดคนพระษามที่เหลือก็เป็นโยมนะการนี้วันนี้เมื่อเช้าก็สังเกตอาการธรรมชาตกิก็ถ่ายเขาเองนะ ไม่ต้องดีท็อกก์ภาษานี้ถ้าพูดคนที่เคยล่างพี่จะรู้จักกันดีตอนเช้าไม่ต้องดีท็อกก์แต่ว่าก็ถ่ายเองตามธรรมชาติโอ้โหเป็นนับคอเลสเตอรอลไขมันเที่ยว่าเขียวๆออกมาจากถุงน้ําดีตะนสีนตาลออกจากตับใช่ไหมมันขาบออกมานับแล้วไม่เกินห้ารอยเมตรหรอกกองพันเดินเลยทํา ม, มาสีครั้งรวมกันไปเท่ากับครั้งนี้มาเช้าหรอกมาเรียงแถวออกมากันเลยก็เห็นแล้วเออนันในตัวเราเนี่ย มันอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันผมออกมาเงี้ยเราจะไม่ว่าอะไรมันนี่เราก็ดูเห็นตามความเป็นจริงไปีก็เลยเป็นเรื่องที่สนุกใช้กายใช้ใจใช้ชีวิตของเรานเนื่องจากการฝึกการหัดมันก็จะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเห็นอารมณ์ธรรมชาติตามความเป็นจริงีเราก็ได้อยู่เรียกว่าอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก็ว่าได้ ทุกคนก็เหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องกันเห็นกันก็นกมีนะเอออย่างเมื่อกี้นี่มีมาจากจันทบุรนะีเจนนะกับโยมพี่เอื้องนะีก็มาจากหลายจังหวัดกันพวกเราแลนะก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันนะข่าเหลืออะไรแล้วก็บอกกันนะทุกคนก็ใช้สิทธิ์อยู่อย่างเป็นเจ้าของนั่นแหละนะนะพอเดี๋ยวไทยสุกตายน่าเข้าลงนะดินสูดดินน้ำสูดน้ำลมสูลมไฟสูไฟนะในโลกนี้ไปไหนก็จะห่วงกัน เวลาเข้าวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นจะต้องถามไทยกั น, นอาตมาเคยมีประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งไปทุ่งเทพนะโยมงานศพยายาอาตมาเสียชีวิตอายุเกสาปีขอญาติเล่านิดหนึ่งพระก็รับไปนั่งฉันนะพระทุ่งเทพห่วงอาหารพระกับพระนะห่วงอาหารอาตมายืมมือยื่นมือจะไปตัก จำได้ว่าเป็นหมูเป็นขาหมูนะตักขาหมูเจอมาปรากฏว่ายกขาหมูอนนี้เลยโยมได้ตักไหมการเนี่ยโอ้แล้วแถมมองหน้านะถ้ามองหน้นานท่านบวชทำไมท่านไม่เรียนก็ว่านะอย่างนี้นะอ้อาาก็บอกว่าเออ ท่านมาจากที่ไหนนี่ถามเขาผมมาจากยะโสธรครับอันนี้วัดบางนาบางนาบางดานอกนะทีนี้อามาก็เลยเรียกญาติมาคนหนึ่งพอเรียกญาติมาเ้าก็มองว่าเอตกลงพระรูปนี้ไม่ใช่พระหล่อนเลพเนจรมาใส่ขอกินนี่ไงเป็นพระเจ้าถิ่น มากอกว่ามาอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไปบวชอยู่ทางชัยภูมิวัดป่าสุขโตกระถางอีสานเมื่อที่ท่านอยู่นั่นนะแะละพระก็ตั้งใจไปบัดแต่ทีนี้ว่าเรามาที่นี่เพราะกินนิ ม, มนต์จะแล้วก็เหมือนว่าเขาก็ให้ความเคารพมากขึ้นยอมยอมให้เรานั่งชันด้วยยิบยืน่นอาหารที่ยกไปเอามาเคลือนที่อะไร นะเราก็เห็นอย่างนั้นวัดวันที่นี่ไม่มีหลักวัดป่าสุขตัวนะทุกคนก็นมีสิทธิใช้สิทธิ์เต็มร้อยนั่นแหลนะเพียงแค่มีการจัดระเบียบกันหน่อยนะมีเขตวัาสคบสิกาอย่างนั้นนะอันนี้เขตหอไตจริงๆมันนอกสิทธิที่เราควรจะใช้กันนะเป็นเขตป่าไม้นะแล้วแ ถ, แถบด้านนี้ทั้งแถบเลยถนนข้างหอไตไปนัะ้นะมันจะมีป้ายก็อาสานาวเป็นสีนะ บอกว่าเป็นเขตพร ะ, ะเขตแม่ชีเขตเน็มเขตอุบาสกบาสิกาโปฏิ พ, พระนี่อยู่กันไม่ได้นะข้างนอกนี่ยอยู่กันไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างในทั้งหมดจัดเขตไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตอนหลังมันก็ล้นนะนะแล้วก็อยู่ตรงนี้มันสบายแถวๆนะี้เมื่อก่อนเราอยู่ข้างในนั้นนะอาจจะลำบากนิดหนึ่งรล่อย่างก็คือจะได้ดูแลกันนะใครไปใครมาเถระมหาเทระ มาชั่วคลั่งชั่วคราวจะได้ดูแลกันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็บอกเขตนะการใช้สิทธิของเรานะเขตไหนนะที่เราควรจะเดินเข้าไปหรือว่าไม่ควรเดินเข้าไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราฝึกหัดสตินะีการเดินจงกรมหรือว่ายกมือ14บส่นานเราก็ใช้สถานที่เกิดประโยชน์ทั้งหมดนั่นแหลนะ562สไร่เจ็เจนะ็เราก็ใช้กันเสนาสนะ อาหารกันขบฉันอยานี้ยารักษาโรคอย่างเงี้ยยอมใช้ได้นะตู้ยาอย่างเงี้ยยอมใช้ได้มีหลายตู้อยู่ในวัดนะแต่พระนี่อย่าไปใช้เลยนะเพราะว่ายาเนี่ยมันต้องประเคนกันทุกวันแต่เราไม่รู้เรามักจะไปหยิบกันจริงๆต้องประเคนทุกวันนะใครใครฉันไว้เราก็อาบัติเ่ยดีกันเนี้ยพรุ่งนี้วันพระก็ลงปฏิมาก็ต้องปรงอาบัติกันแหลกเลย สปตาปิโยรมิสัปปตาปิโยมิสภากโลกาปิโยมิสภากกาปิโยริมิอาหารปันเตสัมพังอุลานันน า, น า, นาตุกายโยปยิโยอัจจิงตาตุมหาโมลเลตเตมิต้องทองอะไรเดี๋ยวภาพใหม่ก็ต้องเตรียมหัดท่องกันแล้ววันนี้นะเดี๋ยวกลับไปว่างๆก็ท่องออสัปปตาปิโยมิปงอาบัตนะเดี๋ยวพรุนี้จะได้ใช้วันพร ะ, นะลงโบสถกันเราก็เลยเนี่แหละอย่างเป็นพระเราก็ไม่นิ่งดูไดกันเราจะไม่พยายามจับ กลุ่มคุยกันแตนะ่ว่ารุ่นพี่น้อยไม่กี่รูปนะรุ่นน้องนี่เยอ ะ, ะที่บวชจะเรียกว่าใช้เวลาช่วงปิดเทอมบ้างนะาวัน7วันหนึ่งเดือน15วันเรื่องอะไรก็ไรล้เยอะแยะไปหมดนะก็ปฏิบัติเป็นหลักเข้าไวนะ้นั่งเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลานิดหน่อยพยายามสวดในบทที่ควรสวดเช่นนะอรัตนสีหห้านะ ก็อาราธนายังไงบวชวัดป่าสูงโตตอนศึกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เลยอาราธนาศีลมันก็ถือว่าอ่อนแอมากๆเลยนะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งอย่างปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าท่องมนก็ไม่ได้ท่องมนกันอย่างโอ้อันนี้มันไม่ไหวมันเสื่อมเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะทํางานก็ดูแต่พอดีถ้าทําแล้วเรียกว่าใช้กันทํางานจนเหน็ดจนเหนื่อยเมื่อยล้าจนท้ายสึกก็เหมือนกับว่า บวชมาเป็นกรรมกรเหมือนกับลูกผู้ใหญ่สวนลูกผู้ใหญ่สวนมีทีนึงอบาตมาบวชอาจารย์สุรทัศน์ใช้ทํางานใช้ทํางานอาจารย์สุรทัศน์ตั้งก่อนให้ทํางานอย่างนั้นเห็นเป็นลูกชาวบ้านนะก้ามโตนะเห็นว่าขุดดินฟันหญ้าดีใช้จึงนั่งผู้ใหญ่สวนนะต้องมาถามอาจารย์สุรทัศน์ผมไม่ได้ให้บุผูลูกผมบวชมาเอ่อทำงานนะผู้ใหญ่สวนถามอาจารย์สุรทัศน์นะี ที่นี่บวชมาทํางานกันหรือไงเพรใหญ่สวนว่า อ, อย่างนั้นแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมฐานนะก็ไม่เป็นไรหรอกทำนะอะไรก็ทําห้เธอคอยมีความรู้สึกตัวกันแล้วกันกรรมฐานบ้างกรรมก ร, รมบ้างนะทิ้ง่ัยสุดก็คือกรรมฐานรู้จักกันหรื อ, อยังนะไปหารลวตกรมหรื อ, อยังนะไปหาอาจารย์วชัยหรื อ, อยังนะไปหาอาจารย์โนดอาจารย์ตุ่มหรื อ, อยังหรนะือใครสักคนที่เรามีความรู้สึกว่าเออก็น่าจะรู้นะอย่างเงี้ย ลองไปหากระรยันมิตร ด, ดูแล้วเสร็จแล้วก็นั่งลองเรียนรู้ดูมันเป็นยังไงพลิกมือนั่งสร้างจาังหวะตั้งขึ้นรู้สึกเงี้ยเป็นไงยกมือขึ้นรู้สึกเงี้ยเป็นไงคนใหม่ก็ตามนะม่เกี่ยวกับพระอย่างเดียวคนใหม่ที่เพิ่งมาเดินวันกันแล้วก็เคลื่อนมาทับที่สะเดอนเนี้ยรู้สึกตัวทำยังไงอย่างเงี้ยจนครบ14บสี่จังหวะกาขณะที่เรายกมือเนี้ยเราไม่ต้องไปนับนะหนึ่ง 2 3 4ไม่ต้องไปนับให้ยกซื่อๆพลิกมือสัมผัสรู้สึกซื่อๆยกขึ้นมาเหมือนกันยกขึ้นมาเฉยๆขณะเคลื่อนก็ยังมีสติรู้สึกตัวขณะหยุดก็มีสติรู้ความรู้สึกตัวทําไปเรื่อยๆอย่านี้เวลามันมีความคิดเกิดขึ้นมาอย่าไปยุ่งกับมันไม่ห้ามมันคิดก็ไม่เป็นไร เมื่อกี้เปรียบเทียบนันแล้วว่าในตัวเรามันมีอะไรลึกเกินสิ่งสโปรกนะเช่นอุจาระเป็นต้นแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันนะแต่พอออกมานะว่ายี้มันไม่สะารลุ่นโสโครกตั้งแต้อยู่กับตัวความคิดก็เหมือนกันมันอยู่กับตัวไม่ว่าอะไรแต่พอมาปฏิวัติคิดหน่อยเดียวจะไปว่างั้นว่างี้ว่าง้นไม่ต้องไปว่ามันหรอกนะมันของอยู่กับตัวเรานี่แหละไม่ได้ของมาจากใครจากที่ไหนหรอกความเบื่อก็เหมือนกันความ่วงเงาหานอนก็เหมือนกันนะ ความฟุ้งซ่านลังเลขีข้เกียจสารพัดนะมันมีอยู่กับเราเนี่ยแหละมันออกมาเพราะมันคือธรรมะนะธรรมะที่เรียกว่ า, านะกุศลธรรมอกุศลธรรมกุศลก็แปลว่าความฉลาดอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดพอไม่ฉลาดก็ทําอะไรแบบงงนะงงงงก็คืองงงสองตัวก็ดกบับเปนโง่ลนะนะงงงสองตัวโงสองตัวก็งงนะมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนเราก็เลย ความรู้สึกตัวให้ชัดเจนเคลื่อนให้ชัดเจนเป็นจังหวะนะทําแต่ละจังหวะนะเราสังเกตดูความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธนะ์มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะใครทําไม่เปลี่ยนนะไม่มีหรอกนะแต่ยุวะเข้าใจไหมล่ะว่าัยสิ่งที่มันจะต้องผ่านนะที่เรียวกว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรความคิดเปลี่ยนให้เกิดความรู้สิทธิฐานกายนะความรู้สึกที่ฐานกายแล้วมันหนักเราก็คลายออกมานะ มันก็บอกทิศบอกทางอย่าไปติดฝั่งซ้ายอย่าไปติดฝั่งขวาอย่างเงี้ยให้มีความพอดีกับการกระทำนะมันก็บอกทิศบอกทางตลอดนะพอเราปฏิบัติเราก็จะเห็นหลายแง่หลายมุมแล้วก็เลือกเป็นนะจนท้ายสุดก็คือนะมันทําได้ทักวันนั่นแหละเวลาไหนไหนก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมตื่นนอนขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติธรรมขณะก่อนนอนก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรม หลับไปมันยังใช่อยู่แต่ว่าใหม่ๆยังไม่ได้ไปสนใจมันนะหลับแล้วก็แล้วกันตื่นมาแล้วเราก็รู้สึกตัวต่อไปตื่นมาแปลงฟันเราก็รู้สึกตัวปั๊บที่นอนหมอนมึงก็รู้สึกตัวล้างหน้าล้างตาเช็ดหน้าเช็ดตามาทำบ้านรู้สึกตัวเท่าที่จะรู้ได้ถ้ามันหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามันก็เคยหลงมาแล้ ว, ลวมากกว่า น, นีนะ้ก่อนปฏิบัติตอนนี้มันยังหลงบางข้างบางกล่ า, า, าวถือว่าไม่แปลก แต่ว่าหลงแล้วให้กลับมากันละกันรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปเราก็จะเห็นเลยประสิทธิภาพคุณภาพเนะ่พัฒนาการของการวิ่งที่มันเปลี่ยนไปทุกวันดีวันดีคืนเร็วไม่ถอยหลังไม่ไหลลงสู่ความเสื่อมมันปฏิบัติแล้วแต่ว่าบางทีมก็จะมีนะก็คือถ้าเป็นคนเก่าๆปฏิบัติได้ให้สังเกตแต่บางทีมันเคลื่อนมือนะหรือว่าเดินจงกรมมันจะมีอาการทื่อๆ มันจะอาการทื่อๆบอกไว้ถูกหยุดก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้มันเหมือนทำก็ไม่ก้าวหน้าหยุดก็ไม่ได้หยุดเมื่อจะถอยให้เสื่อลงไปถามว่าตรงนี้จะทําไงถึงนี้ให้สังเกตเธอเราอาจจะลดฐานมานิดเดียวแทนที่จะอยู่ก า, การที่มันทื่อๆหยุดนิดนึง มันก็เขียนหนังสือแล้วมันก็ทื่อๆเก๊กเๆกๆๆๆนะ็งๆตัวไม่สวยมียาการเบื่อนะหยุดวางนีสอสักแป๊บหนึ่งนะหันไปกินน้ากินข้าวนหะรือว่าทำอะไรก็ได้เนะทีมผ่อนคลายสักนิดหนึ่งลดน้ำพวนดินนะไปหางานในเหล็กทำอีกนิดหนึ่งหนะรือว่าถ้าเป็นการปฏิบกรรมฐานกนะ็หยิบไม้กวาดไปกวาดนะดีนะหยิบไม้กวาดไปกวาด อย่างพ่อมเขียนก็ชมเชยคนอยู่คนในนี้กว่าอย่างนี้แหละนะที่มันจะทําให้เกิดการบรรลุธรรมกว่าอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เราปฏิบัติธรรมจนกระทังจบกิจได้กวา่าเป็นการปฏิบัติธรรมกับการทํางานไปด้วยกวาดนอกกวาดในกลางนอกนก็สะอาดจิตใจก็สะอาดด้วยเพราะมันเป็นการกวาดกิเลสไปด้วยหรือล้างจานกับล้างใจไปด้วยมันมีอยู่ มันมีสมัยหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องของพุทธประวัติในหนังสือพระไตบิดกมันมีประวัติของพระเจ้าด้วยก็คือสมัยที่เป็น อ, อะไรล่ะนึกชื่อไม่ออกไกลจดหนึง่งตอนที่ไปเกิดเป็นพระอินเรื่องของมคามานพเอิร์ดรัฐพราม ราธาพามอันนี้เป็นความจำนะราธาพามเนี่ยเกิดในยุคของพระเจ้าทีพังกรนะคือมันไม่ใช่มีแค่สมณะโคดมนะตอนนี้เราเกิดในยุคของสมณะโคดมก็ประมาณ 5,000 ปีนะแต่ว่า 2,600 นะปีนี้นะมันก็จะเอียงๆไปทางปลายแล้วจะเสื่อ ม, มพูดง่ายๆแต่มามองว่ามันคงจะเสื่อมยากอยู่ถ้าเรายังรู้สึกตัวกันอยู่นะเสื่อมยาก ถาทำอะไมีความรู้สึกตัวจริสติกันอยู่มันจะยังไม่เสื่อมหรอกอันนั้นเป็นแค่คํำพูดเฉยๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ครณีมข้ามานพเนี่ยเห็นพระเจ้าทีพังกรเดินมากษัตริย์เขาก็ทําถนนนะแต่ว่ามันทําไม่เสร็จจริงๆพระเจ้าทีพังกรก็เดินตุ่มตุ่มตุ่ม ต, มตุมมากับโมนะกรณีมีแชร์แชอยู่ประมาณนี้บาเดียว ทำถนนไม่เสร็จมันเละฝนตกหนักราธะพรามไม่ใช่เอออุตเมธาดาบุตรก็เลยฟ้ามปุ๊บลงไปฟ้ามทำไมพวกเราทำตัวให้เป็นสะพานก็เรียกว่าให้พระเจ้าทีบังกรนะเดินตึกตึ๊กตึ ก, ต ก, ตกแล้วก็เหยียบแล้วก็ข้ามไปอย่างนี้นะ กับสาวกเดินมาแล้วก็เหยียบแล้วก็ข้ามไปโอ้โหจมดินเลยพระเจ้าที่ยังกรก็อาหารพระถามว่าที่ทำอย่างเงี้ยท่านต้องการสิ่งใดหรือสมัยธาดาบตอบว่าเราต้องการเป็นพทธเจ้าเหมือนพระองค์นะในอนาคตการต่อไป คำตอบที่ได้รับก็คือท่านจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านพูดก็จริงพะทายสุคมาเกิดเป็นนี่แหละสัมนาโคดมนี่แหละอีกอันก็คือเรื่องของการกวาดอันนี้เป็นต้นบุญเป็นการทำบุญเกิดจากการให้แรงกายแรงใจเรียกว่าวัยยาวัจะไมนะขวขวายได้กินสิ่งที่ควรเป็นบุญบุญคือชื่นความสุขทิมจะได้มาโดยชอบเกิดพิติ เกิดความเอิบอิ่มเกิดความนะเรียกว่าสบายอกสบายใจขึ้นมาจิตใจป่องใสแจม่มใสขึ้นมะาแล้วถ้าพามนีนไปงานบุญครั้นี้ก็เห็นว่าพักกลางวันนี่เราจะนอนพักสักงีบหนึ่งก็เลยไปหยิบไม้กวาดไม้กวาดโคนต้นไม้นะร่มรื่นไม่มีใบไม้พร้อมที่จะนอนพักแต่ได้เป็นคนที่นะ รักระเบียบวินัยหยิบของมาตรงไหนก็ต้องเอาไปไว้คืนก่อนเรียกว่าหยิบก็ง่ายหายก็รูดูก็งามตาเหมือนกับเราใช้เก้าอี้ก็ได้นะหยิบมาจากไหนให้ไปไว้ตรงนั้นทีนึงของใช้ในวัดนะอะไรที่หยิบมาจากไหนเอาใช้เสร็จแทนไปคืนเนี่ยล่มกันเหมือนกันตะเกียงก็เหมือนกันมันหายหมดแล้วนะเราก็ต้องเอาไว้ที่เหมือนกันอันนี้นะราทะพะัพภะเอราทะพะัพภะใช่ไหมเนะ ราธาพามก็เอาไปไว้เอาไม่ใช่เมค่ามานบขอไปนะเมค่ามานบก็เอาไปไว้ที่เดิมเสร็จแล้วก็กลับมานอนพอเดินกลับมาปากฏว่าเฮ้ยโอ้เรากะว่าเราจะมานอนสักหน่อยเรากว่าดเนี่ยทันมานอนซะแล้วเอ๊แต่นอนกลนมีความสุขจะเนี่ยอ้าไม่เป็นไรนอนหลับยังมีความสุขไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกวาดหาที่นอนใหม่ก็ไปกวาดอีกก็ไปอย่างเงี้ยนะ คนก็ไปนอนอีกเอ๊ะเราก็เลยไม่หาความสุขการนอนดีกว่าเราก็เลยไปกว่าให้มันร่มเลื่นแล้วคนก็ไปนั่งกันมีความสุขไปนอนก็อย่างมีความสุขเนี่ยเลยไม่ได้มาหาความสุขการนอนเลยเราก็เหมือนกันนียเอาอย่างได้เลยนะท้ายสุดนะพอกลับไปบ้านเนี่ยหน้าตาผ่องใสจชเพื่อนถามเฮ้ยท่านไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อ แปลกวันนี้เรามีความสุขเพราะว่าเราไปกวาดเพราะกวาดเสร็จเพื่อนไปนอนทนที่เราจะโกรธแล้วไม่โกรธนะเรามีความสุขเราเห็นขั้นหลับอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสุขเขาด้วยเราก็เลยไปกวาดทุกคนไปนั่งไปนอนแล้วก็เลยมีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปกวาดกัน ไ, ไหมก็เลยชวนเพื่อนๆไปกวาดกนนะัแนแล้วเป็นต้นบุญที่ว่าทําไมมันเกิดวัยยาวิ จ, จัยมขึ้นมาการกวาดแล้วเกิดความสุขกัน ที่เรามีจิตอาสาตรงไหนที่ควรทําเห็นว่าไม่มีใครทําเราก็ไปทําอย่างเช่นขยะได้นะตามถุงตามถุงตามถุงเนะี่ยจริงๆเราไม่ต้องรอยมีคนไปเก็บหรอกเนะอย่างที่วัดเนี่ยมีการจ้างชาวบ้านมาร้อยห้าสิร้อยแปดิบสองร้อยอะไรก็ตามอยู่กันเป็นหลายๆเดือนแล้วเป็นปีแล้วก็มีเรียกว่ามาที่นี่อะไรตังนะั่นนี่นะก็จะให้เหมือนกับว่าต้องมีลูกจ้างเลยให้เหมือนเป็นบุญดีกว่า เราอยู่กันเป็นร้อยเงี้ยต่างคนต่างทำโอ้ยเรียวกว่าอาดสอาดเลยทุกซอกทุกมุมเลยเห็นตรงไหนก็ทำเหรออย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เกิดความสุขเห็นไหมลดฐานอย่างเงี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีกําลังใจแล้วก็ไปลุยต่อนะลุยต่อในรูปแบบวที่พูดเนี่ยแต่ตอนที่เราทํานะี่ยทำดีะนะล้างห้องน้ําบ้างเห็นตรงไหนไม่ดีก็ไปทําก๊อกไม่ดีก็เปลี่ยนเองเลยอย่างเงี้ยนะบางทีเออถ้าเปลี่ยนไม่ได้กนะม็มาบอกพระไฟมันเะสียมาบอกพระอาเงี้ย แต่ทาเองได้ทําเองเลยมันเกิดบุญนะมันเลยทําให้เราเนะี่ยเหมือนกับว่าเรื่องกรรมฐานนะมันไม่ใช่เรื่องยากอันนี้ก็คือมงคลสาสิบปดนั่นแหลนะอะไรที่เป็นเรื่องของมงคลนะมังคะรนะจิตเรามันก็จะตื่นสดชื่นขึ้นมานะมันเป็นความสุขแล้วก็ทาให้เราเหมือนกับว่าเออชีวิตนั่งก็แป๊บแ ป, บแปบ๊หมดวันนะเป็นชีวิตที่ ไม่เหมือนกับว่าอยู่กับทุกข์ต้องอยู่กับสิ่งเสพติดต้องอยู่กับกาแฟต้องอยู่กับสารพัดนะแต่บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลกนะอย่างเช่นว่ากาแฟนี่บางคนกินแล้วดีนะอย่างธรรมาส่วนตัวกินแล้วไม่ดีนะกาแฟกินแล้วง่วงนอนขระดับหนักเลยต้องไม่นอนหลายคนก็กินแล้วก็ตื่นต่ามากินแล้วจะหาวกาแฟไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราก็เลยบอกเออไม่กินก็ได้นะ มันตื่นกว่าถ้ากินแล้วมันจะหาวห้อง น, นอนแต่บางคนถ้าเป็นพากินสันปรากฏว่าทั้งงานวิจัยทั้งคนที่เป็นพากินสันจริงเช่นอาจารย์โควิดเป็นนะลางเนื้อชอบลางยาพอเราได้ดื่มกาแฟแล้วปรากฏว่ามือมันหายสันอย่างเงี้ยท่านเคยพูดอย่างนั้นเคยเห็นท่านมือสันเมื่อวานขึ้นปีใหม่ปีหนึ่ง ก็เคยไปที่บ้านของท่านก็เห็นท่านสั่นแล้วท่านก็ใช้การจิบกาแฟระหว่างสนทนาเป็นลักษณะที่ว่าพอจิบไปแล้วเราก็เห็นว่าเอออาการสั่นมันลดลงและท่านก็พูดสำทับนะเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่าสัมผัสตรงเป็นประสบการณ์ตรงว่าการกินกาแฟแต่พอดนะีมันก็มีประโยชน์อยู่โดยว่าผมเป็นพาร์กินสันมันทําให้อาการพาร์กินสันมันหายไป ก็เลยเลแต่ว่าส่วนตัวว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยว่าหาความพอดีให้กับตัวเองเอานะอะไรที่ว่าพอดีที่ไม่เชลดีแล้วพอนะเราก็หาเอาใช้ชีวิตอย่างใช้สิทธิ์เตนะ็มร้อยที่วัดป่าสุขโตนะอาหารการรบฉันต่างๆนะั่นนะพอเปิดครัวตลอด24ชั่วโมงก็ว่าไดนะ้เลยนั่งแต่เช้านะจนัึงเย็นกนะ็จะมีคนอยู่ประจำกันที่นั่นนะ ของออกมาวถวายนะสงของเสดจใหญ่ก็ถวายสงกันนะเสร็จแล้วก็ถวายแล้วเสร็จแล้วก็เข้าครัวเพราะว่าอาหารนะการขบฉันนี่ถวายสงสงก็ไม่ได้เก็บกักตุนเอาไว้นะมันก็มีแต่ผ่านไปสู่ครัวอย่างเงี้ยนะนอกจากอาพาธนะบางทีเนะี่ยมันก็มีอาหารอาพาธนะแต่ต้องอยู่ในรุนพินิษของหมอของพย า, านะบาลใบรับรองแพทย์พวกนีนะ้เขาจะสั่งแล้วมีความเคารพเขาอย่างนั้น หมอกับพยาบาลก็รับผิดชอบตัวเรานะั่นเราให้เขาตอบคําถามของสังคมแทนเราเราไม่ต้องไปตอบโจทย์ไอ้คนนี้ลําใจให้เรากินไอ้คนนี้เราบ่อกให้เรากินให้เขารับผิดชอบดูแลเราไปใชเราก็ทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอย่างเช่นหลวงพ่อกาเขียนชวนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเยน็ยนๆพระสงฆ์ก็จะไปนั่งล้อมวงกัน มีอาธมารือผมด้วยคนนึงเวลาเดินผ่านหลวงพ่อจะเรียกมามานั่งมานั่งมานั่งอาจารย์ว่าแทบเช่นนั้นยังไม่มรณาภาพเนีมานั่งมานั่งมานั่งก็มีอีกหลายรูปหลายหลายคนก็สึกไปก็มีเสร็จแล้วก็มีอาหารก็แบ่งๆกันไปเพราะนั้นเวลาเห็นพระสงฆ์ฉันเย็นเนี่ยผิดไหมโยมผิดไหมตอบมาหน่อยสิผิดไหมโยมว่ผมม า, ผมมมาผิดไหม ถ้าเป็นกรณีที่อาจมาเล่าเนี่ยพูดน่ผิดไหมถามทุกคนนะผิดไหมไกำลังพูดถึงระเบียบพินัยพระอาพาธาพิสุไปฉันนะเป็นลาของพระที่ฉันเหลือเดนเดนพิสุไข่เรียกภาษาพรนะนเดนพิสุไข่ ไม่ถือเป็นอาบัตรหลวงพ่อเทียนก็จึงสมัยหลวงพ่อเทียนยนะนะเคยได้ยินนะทางหลวงพอง่อเทีนด้านสื่อแล้วหลวงพ่อเทียนนะท่านพูดว่าผมเนี่ยอยากจะสึกเพราะว่าผมต้องฉันอาหารอยู่บ่อยๆลําไส้เหลือสั้นนิดเดียวตัดลําไส้เหลือสั้นนิดเดียวเพราะฉันก็ลงกระเพาะเลยฉันก็ลงกระเพาะแทนที่มันจะเลื่อยไปเลืมาประมาณ9เมตร ถึงสิเดเมตรถ้าเป็นผู้หญิงก็ลำไส้เรแต่หลวงพ่อเทียนน่ะเหลือสั้นนิดเดียวว่าฉันก็ลงกระเพาะอะไรฉันก็ลงกระเพาะเลยครันนี้ลงฉันบ่อยหลายคนก็โจดกันพาลงเนี่ยอาบัดหลวงพ่อเทียนก็เลยบอกเออบางทีก็มีผู้หญิงามาเช็ดเน้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยนะก็เออกาโจรกันว่าอาบัดเนี่ยหลวงเทียนก็เลยบอกว่าเออผมก็อยากศึกบอกกับหลวงพ่อ่มเขียนหลวงพ่อ่มเขียนก็บอกว่าถ้าเป็นผมมันะ ถ้าถามผมว่าความสึขผมผมบอกว่าอย่าสึกเลยเพราะเป็นอาจารย์นะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายถ้าหลวงพ่อศึกเนี่ยลูกศิษย์จะคิดยังไงศา ส, สนาหนจะไปทิศทางไหนนะคำสอนหลวงพ่อเทียนก็จบลงนะเพราะฉะนั้นความสุกของผมเนะี่ยผมไม่อยากให้สึกหรอกหลวงพ่อจะสึกก็ได้แต่หลวงพ่อศึกนะีผมยังจะกราบหลวงพ่ออยู่เหมือนเดิมถึงพ่อจะแต่งชุดโยมก็ตามเพราะหลวงพ่อคืออาจารย์นะและหลวงพ่อเป็นลนักษณะของ พระที่สอนคนให้รู้ธรรมจริงๆเป็นเรื่องธรรมะที่มันมีจริงๆในตัวหลวงพ่อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคำเขียนแล้วถาพูดอย่างนี้กับหลวงปู่เทียนถึงศึกก็จะกลาบจะวายอยู่ตกลงหลวงพ่อเทียนกันเออแต่ก็ไม่ต้องศึกหรอกนะพอไปหาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็บอกว่าเออไม่ต้องศึกแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลท่านเองเจ้าคณะจังหวัดเลยเพราะว่านี่มันอยู่ในวินัยอยู่พระสงฆ์อาพาธในฉันได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่อาภัยแล้วไป่ฉันกันนะอันนี้ขิวนะแสดงว่ามันยากนะนเนเรื่องของกิเลสนะเราก็ลังมาระวังกันอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีในปาติโมกนะแต่ว่าของเราลงปาฏิโมกกันเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้ที่แรกฟังนะผมแหลมาก็งงๆในพระวิญัยมันนุ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มันนะลึกลับนะแล้วเราก็ไม่เหมือนกับว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องแบบบ้านๆเลยอะ แต่ว่าพระวินัยก็เป็นเรื่องแบบบ้านๆนั่นแหล ะ, ะเป็นเรื่องของโลกวรรชาบ้างหรือเป็นเรื่องของต้นบัญญัติที่โดนโจทย์อย่างนั้นอย่างนงี้างงานขึ้นมานพราะนั้นมันจึงมีลักษณะของศีล2องร้หรือศีล10ศีลแอันนั้นก็คือศีลของสังคมที่เราอยู่ร่วมกั น, นพราะกร็ถูกยกให้อยู่เป็นทิศเบื้องบ น, นอุบาสกบาิกา ก็อยู่ทิศเบื้องล่างอย่างงี้นะถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องถ้าแม่เนี่อยู่หน้าญาติภรรยาลูกเมียอยู่หลังอย่างงี้นนะสามีถ้าเป็นครูบาอาจารย์นี่อยู่ขวาเอาไว้ด้านขวาธมิจจะหายเอาไว้ด้านซ้ายเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่เราจะอยู่กันยังไงพื้นที่ห้าร้อไร่แล้วก็อยู่ได้มีความรู้สึกตัวกันสิ อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จึงให้ใช like ้รูปแบบปฏิบัติฝึกจนชานาญดีเดียวละเหมือนเมื่อเช้าที่หลวงพ่อทันเทศเป๊ะเลยรูปแบบเนี่ยมีไว้เพื่อทีฝึกหัดตัวเองเพื่อสร้างสติเพื่อง่ายกรรมฐานกับกรรมกรกรรมกรหาเงินกรรมฐานหาสติสติสตางไม่มีสติก็ไม่มีสตางมีสตางไม่มีสติก็ทุกแต่คนมีสติไม่มีสตางยังไงก็สุขเนี่ยนะ รทายสุดก็คือมันเป็นอายะซั์ภายในกับซับภายนอกเพราะฉนั้นพนันที่เราฝึกขัดในรูปแบบก็เหมือนกับทางานหลักอาชีพหลักอย่างงี้นนะส่วนการไปทํานอกรูปแบบเป็นงานอดิเลตและการที่เรามีสติเราสร้างสติได้แล้วในรูปแบบเอาไปใช้ยิ่งใช้เจออารมณ์เห็น ก, กษัตริว่าเห็นนะทำได้ไหมได้ยิน ก, กษัตริว่าได้ยินนะทำได้ไหม เวลาทำงานต้องใช้ความคิดเนี่ยมันเป็นยังเข้าไปในความคิดนะแล้วก็หลงเพลอเข้าไปเป็นทุกข์ไหมเป็นดีเป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นทุกขนะ์เป็นบุญเป็นบาปนะจนท้ายสุดนะมันเกิดลษณะของการที่จิตมันไม่พัฒนานะมันติดดีมันบ้าดีอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่จะเสียเวลาพวกเรานะเราก็เลยว่าเรามาฝึกในรูปแบบสร้างสติแต่มีสติเอาไปใช้นะใช้ที่กายใช้ที่วาจานะ ใช้ที่จิตเวลามันคิดก็เจตนาคิดลงไปทำการงานลงไปนะเราก็จึงไม่ถือว่าแตกต่างกันถ้ามีความรู้สึกตัวญาติโยมก็อยู่กันอย่างสงบสํารวมอย่างเ้นะบางทีเห็นแล้วก็ชื่นใจระยะนีนะ้ปิดเทอมพ่อมาแม่มาเอาลูกมาด้วยเห็นแล้วโอ้น่น่วัดวารามต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องมีขนาของคนที่เป็นครอบครัวเป็นชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบ โดนะยว่าเห็นชาวบ้านมาทํางานที่นี่ก็มีความรู้สึกโอ้ดีใหญ่น้อยชาวบ้านนะหรือว่านะอย่างแม่เพียนอย่างเงี้ยหรือแม่ทองคอํางเงี้ยเป็นชาวบ้านเห็นแสดงศักยภาพมาวันใยญ่เพียนคือวันที่ทนนะําบุญน่ะจำได้เยอะลูกหลานที่ฟังแม่เพียนมากเลยนะพอแวดขึ้นมาด้นนั้นเงียบกิ๊บเลยใช่ไหม เดินปั๊บน่ยชีเอ้ยลูกหลานเอ้ยเศร้าๆศเศ้ า, า, าอย่าเว่าวลายแค่นะัก็เงียบกิฟตเลยเนะอย้อย่างนี้แหละนะก็เรียกว่าก็เลยเป็นสังคมเป็นชนุมชนทีนะ่มีพลังพอสมควรต่างคนต่างได้ทําหน้าที่นะซึ่งกันและกันใครไม่หน้าที่อะไรทําหน้าที่ตรงนั้นได้แล้วก็เข้าไปสอดแทรกเติมเต็มจึงเป็นความแตกต่างที่สมดุล น, นะเรื่องของความรู้ขงแต่ละคนนะหรือว่าวยาวุธคุณอาวุธต่างๆ เป็นความแตกต่างตามเป็นความสมดุลสมดุลที่ว่าทุกคนมารู้สึกตัวมารู้สึกกายมารู้สึกใจนะมารู้สตนะิมารู้ว่านี่คือสติศีนสมาธิปัญญาอย่างนี้นะมันก็สนุกราคาเนี้ยหลวงพ่อเทียนก็จึงนะเคยใช้คําพูดนะเราอาจมาเคยได้ยินว่าที่เนี้ยหลวงพ่อเทียนเนะี้ยมีไรายได้หลวงพ่อเทียนก็จึงนะสร้างวัดสร้างวา เอาไปให้ค่าอาหารสร้างกุฏิเสนาสนะอย่างเงี้ยและทีมคัญที่สุดก็คือหลวงปู่เทียนเนี่ยจ้างคนมาปฏิบัติธรรมถ้าใครนะปฏิบัติแล้วไม่รู้อะไรแต่ขอให้ทาให้จริงนะขึ้นมือ14บ่จังหวะนะทให้จริงนะถ้าทําแล้วไม่รู้อะไรนะหนึ่งเดือนคุณมีรายได้เดือนเดือนละเท่าไหร่หลวงพ่อจะจ่ายเท่านั้นแหละ สเดือนถ้าเดือนละพันก็สามพันถ้าเดือนละหมื่นสเดือนก็สาม 0,000 ื่นอย่าแต่มาได้ยินได้ฟังหลวงพุฒเทียนคนเดียวท่านาที่ท้าทายนอกนั้นไม่มีใครเคยท้าทายแบบนั้นอย่างหลวงพ่อเขียนที่นี่ท่านก็ปล่อยให้เราได้ปฏิบัติอย่างเต็มสุดความสามารถของเรากําลังของศรัทธากําลังของปัญญานะกําลังของความเพียรกําลังของสมาธิกําลังของสตนะิของแต่ละคนเราก็ต้องเรียกว่าปรับหรือว่า โจนให้มันสมดุลต่อไปความรู้สึกตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาดูลายการรายการหนึ่งเท่านั้นอนะช่องช่องเดียวมันมีหลายช่องมากคลื่นหลายคลื่นมากแต่ว่าเรามาดูช่องเดียวให้ได้ดูช่อง5้ดูช่อง7ดูไอทีแล้วแต่จะดูอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้มันมีชื่อใหม่มากระจำไม่ได้เราไม่ได้ดูมานานแล้ว เราจะดูช่องไหนเลือกดูรายการไหนล้วก็ดูรายการนั้นนะเบื้องต้นนะอย่างเช่นว่าเราจะดูกายใช่ไหมมีกายมีเวนามีจิตมีธรรมท น, นี้เราก็ดูกายก่อนดูนะกำลังดูนะไม่ใช่อยู่นะดูแต่ก่อนที่มันจะดูเป็นต้องรู้สึกก่อนสัมผัสกระทบรู้สึกพริกมือรู้สึกยกมือรู้สึกนะประเดี๋ยวมันจะมีเคลื่อนความคิดเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นอีกช่องเลยนะ เป็นช่องของจิตจิตมีหน้าที่คิดอย่างเดียวเลยลุงทีก็ไปนะเกิดเวทนาขึ้นมานั่งนานๆต้องปวดต้องเมื่อยเนะี่ยอย่างตอนนี้นั่งฟังมาเกืมาครึ่งชั่วโมงเลยนะมันก็ปวดก็เมื่อยอะครารนี้ถ้าพูดสนุกพูดแล้วฟังดีมันก็ไม่ค่อยดูเท่าไหรมันก็สนใจเรื่องราวที่กําลังพูดอยู่อาการเจ็บปวดก็อ่อนๆตัวไม่เท่าไหรแต่ถ้าพูดไม่สนุก มันก็จะโดดอะไรกัเนี่ยมันจะกลายเป็นโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่แย่อ่อนแอปอ บ, บางไปเลยเงี้ยอันนี้ก็คืออีกช่องอย่าเพิ่งไปสนใจมันกลับมาหายตัวเคลื่อนไหวรู้สึกให้ได้แล้วก็จะเห็นเออพอช่องนี้มันถูกดูนานๆถูกรู้เท่ารู้ทานานานๆสัมผัสกับมันนานๆอยู่กับมันนานๆรู้สึกรู้สึกเนี่ยมันกลายเป็นจิตปกติมากขึ้ น, นอาการปวดเลยทําอะไรไม่ได้เลยปวดรู้อยู่ แต่จิตก็ปกติอยู่มันแยกกันเลยกันนี้เป็น2ตัวระหว่างตัวปวดตัวตัวจิตปกติตัวเนี่ยดังนั้นว่าดูช่องไหนก็ให้ดูช่องนั้นเอาความรู้สึกตัวแหวกออกแหวก็หาความรู้สึกตัวตลอดรู้สึกรู้สึกเกิดความง่วงกึ้นมาแวกออกหาความรู้สึกตัวเกิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาลังเลสงสัยแวกออกเข้าหาความรู้สึกตัวมันคิดไปในอดีตแหวกเข้ามาหาความรู้สึกตัวมันคิดไปในอดีต ก็เข้าหาความรู้สึกตัวที่ฐานกายฐานกายฐานกายและท้ายสุดพอมันเกิดความว่องไวของมันนะเรียกว่าอาชีพหลักนะเราทำอย่างเดียวจริงๆมันก็มีกินมีใช้แล้วแหะพอกินพอใช้ถ้าใช้แต่พอดีนะถ้ามีการสำรวมระวังไว้หน่อยหนะึ่งไม่เปิดนะทวารต่างๆปล่อยไปทางหูทางตาเพราะฉะนั้นพระใหม่ฟังนะสิ่งที่ทําให้ผิดญาติโยมที่มาใหม่ๆกาลังฝึกหัดอยู่สิ่งที่ทำไม่ผิดคือหนึง ฝึกยินทรียงวอนเอาไว้ไม่ดูได้ก็ไปองไปดูมาหรอกไม่ฟังได้ก็้องไปฟังมาหรอกลองไปสนใจเหลืองใครเหลืองใครไม่ใช่เหลืองเราเรื่องเราคือเราจะมาฝึกหัดเรียนรู้ให้มันเรียนจบอย่างนี้สำรวมเข้าไว้อย่าไปคุกคือเด็ดขาดเลยแมวถ้าจะคุกคือก็บอกแล้วเบื้องต้นเราให้มาสวดมนต์ดีกว่าฝึกสวดมนต์ให้เป็นอรัตน์นาสีนเดวันศึกเนี่ยจะต้องใช้ศึกกันอรัตน์าสีนสีน5้าสี8ล8ปดอะไรก็ตามท้องให้เป็น หรือว่าให้พรเวลาให้พรโยมาท่องให้เป็นบทสําคัญสําคัญท่องเอาไว้นะบางทีเราเดินบิณาบาทกันเหมือนกันผมเรืกอาตมานี่เคยนะเดินบินาบาตเนี่ยวันนี้จะท่องประโยคนี้แหละตอนที่สวดมนต์ได้ทั้งหมดนะีก็จะเดินท่องไปขณะที่เดินบิณาบาทเสร็จแล้ววันนี้เอาประโยคนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจะอยู่กับบทสวดมนต์เดินสวดมนต์ไปด้วยนะดีดีอยู่กับตัวเองคนเดียว บางทีก็มีความรู้สึกบางทีก็ไปอยู่ บ, บสนสวดบนกอะมันอยู่แค่นี้แหลนะท้ายสุด ก, ก็คือจิตมันก็มีสมาธิอย่างี้นะเสร็จแล้วนะต่อมาก็คือประมาณในการบริโภคนะแค่ไหนที่แล้วก็พอดีนะก็ถ้าเรากินมากไปนะมันจะอืดท้องอะนะงวกงวก่วนงะพอเริ่มทาความเพียนตัวมันก็ไม่เบาหนักตื่มึนไปเลยเพราะนั้นต้องพอดีนะ ยิงบ่ายเนี่ยโอ้เช้ายังง่วงระบายจะเหลืออะไรน้โยมเนาะเช้าเราขนาดอากาศสดชื่นแล้วตอนบ่ายที่มันร้อนแล้วก็ทำความเพียนมามันละเต็มเทงะเพราะฉะนั้นยิ่งบ่ายก็อาหารต้องยิ่งเบาอย่าเป็นอาหารหนักนอกจากเอาแรงไปทำงานอันนี้ก็อีกเรื่องนึ่งก็เต็มที่ได้อยู่หน่งอินทรียสังวรนทำแล้วไม่ผิด2ก็คือประมาณในละพอบริโภค 3. ก็คือชาคริยานุโยกก็คือธรรมที่เป็นเครื่องตื่นก็คือตัวสติน ะ, จะเจริญให้มากๆอันนี้จะเป็นธรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาไม่เป็นความเสื่อมแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราอุทิตนวางความดีความงามทางโลกมาแล้วเราก็ศรัทธาเรื่มใสบวช ด, ด้วยศรัทธาในผ้าเลื้งนะ เพราะเราไม่ได้บวชโ ด, ดยอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมนะเรามาบวชี่เริ่มใสแล้วไม่ได้บวชแก้บนเราไม่ได้บวชเพื่อจะไปเบียดนะคือบวชเพื่อแต่งงานอะไรพวกนี้ยหรือว่าจะบวชเพื่อไปเบียดก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราจะได้เป็นคนสุขไม่เป็นคนดิบอย่างเงนะี้ยก็ไม่เป็นไรเป็นทิดไม่ได้เป็นบัณฑิตนะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าในระหว่างที่บวชเนี่ยจะต้องฝึกขัดอะไรบ้างจิตใจจะได้สงบเย็นนะเป็นคนที่นะ ปฏิบัสมควรแล้วจะได้เป็นสามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีอะไรก็ตามเถอะออกไปสู่โลกความเป็นจริงนะเพราะว่าหลวงพ่อขียนท่านเน้นนะให้ไปใช้ชีวิตนะปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตในทางโลกต่อไปหลังจากที่เรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะอาจารย์นี้ก็พูดให้ฟังนะตามสมควรเก็เวลานะเอวังก็มีด้วยประการละเจนีแล